ทางทำกันต่ออีกเรามาศึกษามาปฏิบัติศึกษาเรื่องใดต้องพูดเรื่องนั้นให้ได้ยินได้ฟังที่ที่เราทำที่ที่เราทำให้ได้ยินได้ฟังเอาไว้เพื่อชำนาญการ เรามีกายมีใจเรามีปัญหาที่กายที่ใจเราแช่ปัญหาที่กายที่ใจถ้าเราลู้เฉยๆไม่มีความชำนาญก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตัวเรามีกายรู้ทุกข์รู้ อยู่เกิดทุกข์รู้ความดอกทุกข์รู้ความหลงรู้ความโกรธถ้ายังโกรธอยู่แสดงว่าไม่มีความชํมนานาญถ้ายังทุกข์อยู่แสดงว่ายัางไม่มีความชํมนานาญถ้ายังหลองอยู่ยังไม่มีความชํมนานาญยังปึกหนาะ ทำเรื่องนั่นไม่ได้โกรธเป็นโกรธทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงอยู่ถ้ามีความชํนนานต้องทำให้ได้เล <Okay. S 1> ินหมอที่เรียนจบแพทย์ <Okay. S 1> ถ้ายังไม่มีความชํนนานในทางการในทางการหนึ่ง ก็ออยังไม่สำเร็จประโยชน์่ามีหลักสูตร จ, จริงนี้กายมีใจเป็นหลักสูตรกายใจก็เป็นที่เกิดปัญหาเกี่ยปัญหาก็เกี่ยติกายี่ใจเราต้องอธิบายเหมือนหลักสูตรคาถา อาตาคาถาดีกาอนุดีกาคาถาคือสติสัมผัญญะเป็นคาถาดีกาคืออธิบายให้มันเข้าใจสติเอกร เลือกได้สามปชัะคือความรู้ตัวหมายถึงอันใดสําเร็จประโยชน์อะไรหรือรู้เฉยๆเขียนได้เฉยๆทําอุปการละมากเป็นสองอย่างสติความเลือกได้สามปชันยะความรู้ตัวอุปการละอะไรอธิบาย จะนองมาใช้ได้สำเร็จจึงจิลี้ยอุปการะมากเราจะมาทำนั้นหลงเป็นการบ้านเป็นโจทย์เฉลยดูเฉลยได้ไหมผ่านหรื อ, อยังสอบตกและสอบผ่าน ถ้าหลงเป็นหลงเรียกว่าตกไปแล้วไม่ผ่านยังเรียนซ้ำชั้นหลงแล้วหลงอีกรอ้อยข้างพันโหนก็ยังหลงอยู่เรียกว่าเรียนซ้ำเราไปค่อยซ่อมมันก็เลยไม่ผ่านโกรธเป็นโกรธยังเรียนซ้ำชั้นเป็นอนุบาลอยู่ ทุกเป็นทุกย่างเรียนช่มชันจนตายก็มีนะหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธปัญหาที่เกิดกับตายกับใจยังมีปัญหาอยู่แต่ที่จะเป็นปัญญาซะแต่เลยได้แล้วผ่านได้แล้ว ผ่านตรงนี้ก็จบปริญญาได้เรียกว่ายาตะปริญญาติลักษณะปริญญาปหาปริญญาชำนานหรือเป่าในความชํานาญในเรื่องกายเรื่องใจเรื่องปัญหาเป็นปัญญาไิเสีแล้วปัญหากลายเป็นปัญญาไิเสีแล้ว การสอบอารมณ์การแช่อารมณ์อาศัยการยานมิตรบ้างครูอาจารย์อาศัยการใส่ใจของตนเองบ้างอย่าปล่อยทท่งใส่ใจรู้ใส่ใจเห็นเหมือนรู้เห็นเหมือนทุกเห็นเหมืนไม่ทุก มาเป็นคู่ก็เห็นทุกดับทุกได้หรือว่าเฉลยได้เห็นมันหลงเห็นความรู้ได้เฉลยได้ถ้าหลงเป็นหลงอยู่ยองเฉลยไม่ได้ยังสอบไม่ผ่านแก่หรืออย่างเตี่ยนหรืออย่างถึเอองเกณฑ์การว่านก็นอยู่ การบ้านก็ไม่ทำสักทียุ่งเหยิงการงานยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายหมักหมมเหมือนโบเทขยะมูลผอยเน่าในเปียกแฉะเสียศกปกโสโลกชีวิตตั้งชีวิตหมักหมมด้วยความโกรธโลภหลงความทุกข์ความรักควาชังวิตกกองวลเศร้าหมอง ก็จิตชีวิตที่หมกหมมไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นพรมอิจันทร์ไม่คุ้มค่าที่เกิดมาโดยจะมาศึกษาให้ชำนาญในการนี้ใครๆก็หลงใครๆก็ไม่หลงคนที่หลงก็มีคนไม่หลงก็มีแล้ว คนที่โกรธก็มีคนไม่โกรธก็มีคนทุกข์ก็มีคนไม่ทุกข์ก็มีเป็นทุกข์ควงทุกข์มีเป็นทุกข์กไม่เป็นทุกข์กความทุกข์ก็มีเราจะเป็นคนเช่นไรศึกษาไหมเรื่อปึกหนาสาโหอดอยู่ไม่ถลงศึกษาถลงย่อแยก แหละกก็เลยเหมือนเขาศึกษ า, าเหมือนการศึกษาทางแพทย์เอาศพไปชำแหละจนแหละกก็แล้วไม่ใช่ลูกเฉยๆไม่มีการกระทำสัมผัตูเอาศพวางไว้บนโตะ๊ะเข้าไปชำแหละดูว่านคือะไรตรงไหนอาจารย์วเทพสำเร็จแล้ว เหลือแต่กระดูกแล้วตอนนี้เขาจะเผาวันที่หกเนะวันที่วันที่เท่าไหร่ <laughs> จะไปฮะให้ขอขอให้ขเขาบงเผาที่ขอนแก่นเขาจะเผาร่วมกันเป็นพระราชทานถ้าเราจะขอบางเผาที่นี่มันก็ไม่การพระราชทานก็เป็นปัญหาต้องมีเจ้าหนะ้าที่ที่นี่อีกกุญไย ไอเขาเผาวนวบพ่แล้วจะไปเอากระกโดกมาแต่สุดแล้วเขายังอาลายก็ไม่โลกที่แรกว่าเจ้ากระโดกโดกไว้ศึกษาเฉพาะอาจารย์มอเทพยังไม่ติดต่ออีกจะเป็นอย่างไรวันที่หกเนี่ยก็าจะเป็นยังไงก็ไปดูที่วัดพ่ก แหลกไปแล้วจบไปแล้วอาจารย์ประเทศมีลูกศิษย์เกิดขึ้นแล้วเครื่องศพเครื่องกายผู้ที่ศึกษาก็เป็นหมอเป็นนายแพทย์เป็นแพทย์หญิงไปแล้วเพราะชำนานแล้ว ผ่านมาแล้วช <c oughs> ีวิตเราวางทีก็ผ่าตัดการผ่าตัดกาเรียกว่าแยกแยะติลคณะปิญญาชำนานในการผ่าตัดไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนความทุกข์ไม่เป็นรุ่นความโพรไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนความหลงไม่เป็นรุ่นเป็นก้อน ผ่าออกแหลกแล้วไม่เป็นอะไรเลยมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงผ่าตัดแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธผ่าตัดแล้วแหลกไปแล้วความโกรธไม่เหลือหลอแล้ว <c oughs> เรียกว่า <c oughs> ติลคณะปิญญา <c oughs> แยกจะ <c oughs> ศึกษาถหลงย่อย สิกขานี่คือถลงคือย่อยออกไม่มีกูต้องแต่เริ่มต้นดิกายานุปัชนาะเห็นกายจะว่ากายไม่มีกูในกายแล้วกูร้อนกูหนาว ก, กูโศกกูทุกข์กอหิวกูปวดกูแพ้กูชนะแแลกไปแล้วไม่มีแล้วเห็นกูนั่นเป็นอาการผิวๆเผิน ไม่ใช huh, huh. no. enfin ่กูเป็นปัญญาไปแล้วเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วถอนความพอใจความไม่พอใจถอนกูออกอาอาอาตาปิสัมฌานสติมาไินัหลเกททาอะไรจำไม่ได้ถอนความพอใจแล้วความไม่พอใจ ในโลกออกเสียดได้โลกคือรสชาติสุขคือรสชาติทุกข์คือรสชาติโกรธคือรสชาติหลงคือรสชาติสัตว์โลกยำติดในโลกผู้ที่เหนือโลกจะไม่ติดเรียกว่าศิกขาสามคือสิงคือสมาธิคือปัญญา สินกำจัดของหยาบๆสมอาธิกําจัดของกลางๆปัญญากําจัดของละเอียดแหลกไปแล้วไม่เป็นดลเป็นก้อนแล้วเพราะเห็นหลงจึงไม่ปัญญาเห็นทุกข์เกีม่ปัญญาเห็นทุกข์เกีพ้นทุกข์เห็นหลงเกีพ้นหลงเห็ น, นโกรธเกีพ้นโกรธ เดี๋ยวนี้เป็นดุ้นเป็นก้อนไม่เห็นกายแต่ว่ากายเห็นกายเป็นกูเวทนาคือสุกกูทุกข์ก็เป็นกูสุกกูทุกข์กูสุกกูทุกข์แค่มันไม่ใช่เห็นมันสุขไม่เป็นเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขพ้นจากสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ กสุกทุกข์รถของโล ก, โลกทลลกลลิ้งไปแล้วนันแหละแล้วศีกขาแล้วศีลแล้วมีสติก็ลัความชั่วแล้วมีสติก็ทำความดีแล้วมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วมันไปแล้วแต่มีสติมีกันหรืออย่าง ถ้าไม่มีก็ประกอบขึ้นมาสติจะเกิดเพราะกอ็อพระก่อประกอบสติจะเกิดก็เพราะการประกอบเอามาประกอบเอากายสัมผัสลองดูความรู้สึกตัวตามวิชากรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกพระเจ้ า, า, จาออกู้แขนเข้าออมีสติเหยียดแขนออกมีสตินี่กายเนี่ย ก็แขนเข้ามีสติอย่าฉันออกมีสตินี่คือเรื่องของกายเอามาสัมผัสให้สติไปในกายอย่าให้กายไม่มีสติแต่กายหลงก็กายเถื่อนไม่มีเจ้าของใจหลงไม่มีสติก็เป็นใจเถื่อนไม่มีเจ้าของมันก็เถื่อน สองสอเฉเพคิดอะไรก็ได้ไดจะสุขจะทุกข์ก็ได้จะรักจะเกลียดก็ได้จะเป็นยังไงก็ได้มันใช้ได้หรือต้องหัดช้ให้มันถูกช้อยมันเป็นใช้กายให้เป็นใช้จิตใจให้เป็นสําเร็จประโยชน์ชุก ส, สนอะไรกายชุก ส, สนเรื่องได้ แต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษกายเนี่ยแต่ใช่เป็นก็เป็นประโยชน์ต่อตัวชีวิตของตัวเองและต่อคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปจิตใจก็เหมือนกันใช่เป็นหมบางเคยเป็นความกลางวันเป็นเป๊วหรือคุ้มน้อยคุมดีหรือผูผูแพร่หรือใช่ไม่เป็นเป็นคนสุขสน ไม่เลียบไมาบเรียบใจกายไม่ลาบเรียบใช้ใจไม่ลาบเรีย บ, ยบสุขสนถ้าใช่ไม่เป็นก็ตะกุกตะกักช้ามาจำนา น, นอากฎขับรถขับเรือบินทำง่าย ขับไม่เป็นก็คว่ชนไม่ชํานาญชีวิตเราก็ต้องมีการขับเคลื่อนอะมันไปถึงจุดหมาย ป, าปลายทางเบื้งต้นท่ามกลางที่สุดเบื้งต้นคือศีลท่ากลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาถึงจุดหมายปลายทางเหมือน ข้ามภาคเราอยู่ภาคหนึง่งเราจะไปอีกภาคหนึง่งตอนที่ข้ามไปนี่มันเป็นฟัาตะเป็นทะเลเป็นห้วงน้าภาพเปรียบกายเป็นเรือกี่เป็นนายกลายเป็นเรื อ, นนอใช้ข้ามภาคก็ยังสุขอย่างทุกข์หรือว่างุดอยู่ อยู่ในห้วงน้ําอยู่ในโอค่ะยังโกรธยังโลภยังหลงยังไม่ตกกังวลเศร้าหมองเรียก ว, ว่าอยู่ในโอคะห้วงน้ํามันมีบนบกอยู่ก็ทุกทุกทุกทุกโอภูแพรบเรียก ว, ว่ามุดมดโผโผมุดมโผโผจนตย่ยขึ้นฟังสักทีเนี่ย จงมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ำพระพุทธเจ้าเรียกอยู่โน่นจงมุดอยู่ทํมามไมขึ้นฟังเห็นหมายเห็นหลงหรือเป็นผู้หลงก็งเห็นหลงเงยคอขึ้นมาได้ได้เป็นผู้หลงมุดลงพอยเอเห็นหลง เมยขอขึ้นมาเหมือนเห็นงูถอยออกไปรื้อจักถอยออกไปให้มันไกลสักหน่อยก็จนพ้นงูเห็นหลงแหวกว่ายไปถอยออกไปว่ายไปสู่ขึ้นฝั่งถ้าเห็นก็อาจาร ไม่ยากขึ้นฟังถ้าเป็นแล้วมันขึ้นไม่ได้ฟังมันชันหากดามท่าโดยเข่ามันไม่ไหักเป็นทุกเรื่อวชันไม่มีท่าเทียบเป็นผู้โกดเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้อะไรต่างๆเป็นนั่นะมัน ชันมันขึ้นไม่ได้ถ้าเห็นเราลาดลงสักหน่อยอย่างอีกข้าวเดียวไม่เป็นเท่านั้นมันก็พ้นแล้วสามท่านสักสามลักษณะเห็นทุกออกฉากทุกค้นทุกเห็นหลงออกฉากหลงค้นหลงสามลักษณะอาการสามปัจจัยจ๊กปัจจัยย ก, กระสาม ทำเป็นหมาตรงแน่แตามไปหัดก็ไม่เป็นนะรุ่นรุ่นก้นอนก้อนไปเลยหลงก็หลงก่อนหัดต้องมีสติเนี่ยเครื่องมือเครื่องทุนแรงกรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีทำรรให้เกิดเครื่องทุเครื่องทุนแรงจากยากเป็นง่ายได้ออกมากำห น, นดกายไปก่อนอย่าไปเอาอะไรไปเป็นปัญหา จะเป็นไรกลับมาก่อนกลับมาตั้งไว้ก่อนสูตรมันอยู่ตรงนี้อย่าทิกสูตรมันมีเหตุตรงนี้ต้องแก้เหตุตรงนี้ไม่ใช่ไปแก้ผลมันเหมือนหมาเอาไม้ไปแยมหมาหมามันเห็นไม้มันว่ามันเป็น เหตุที่มันแย่เราเนี่ยต้องกัดไม้ที่แท้มันคนจบมันอยู่มันกัดไม้ก็ไม่สาเร็จประโยชน์ม้อยยังแย่มันอยู่ต้องกัดคนเนี่ยเหตุมันอยู่ตรงนี้แค่มันเนี่ยเหที่มันหลงมันมีเพราะไม่รู้นั่นแหละเหตุที่มันไม่รู้ก็มีเพราะไม่ประกอบ ทำไมไม่ทำไมไม่เปรกเพราะเพราะไม่เปรกเพราะไม่อะไร ม, มันมืดมันหนาหลงกันหลงทุกข์กันทุกข์มืดอยู่มองดูสิมองสองทางลองดูก็มีมืดก็ต้องมีไม่มืดถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์ ถ้ามีเกิดต้องมีไม่เกิดถ้ามีแก่ต้องมีไม่เก่ถ้ามีเจ็บต้องมีไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีไม่ตายอย่าจนอย่าเป็นอุทุชนมั่นถาต้องเป็นมนุษย์สักหน่อยสูงสูงสักหน่อยถ้าคนหลงเป็นหลงหรือว่าเป็นคนแล้ว ไปนรกเท่ากับขนโคนะพวกนี้นะถ้าเห็นมันหลงเป็นมนุษย์ขึ้นมาสงแล้วไปนรกเท่ากับขนโคแล้วไปสวรรค์นิพพานเท่ากับเป็นมนุษย์ <laughs> เหช่ไหมถ้าเห็นมันหลง เป็นมนุษย์ไปนรกเท่ากับขนโคไปสวรรค์นี่เาไปเป็นนรกเท่ากับเขาโคลไปสวรรค์นิพานเท่ากับขนของโคมากกว่ากันอย่างเนี้ยจึงมาประกอบเครื่องทุ่นแรงหางเสือสติเป็นหางเสือแม่นกลายเป็นเรือ แต่เรือป่าจะจากหางเสือก็ย่องไปสู่ทิศ ท, ทางไม่ได้เช้ขงขว้างวนเวียนโกรธเล้วโกรธเดกด้าไม่มีหางเสือไม่ตรงไม่ตรงปฏิบัติตรงของสวดเมื่อกี้สาธยายพระสูตรอุโช ป, ปติปโนโอระไร วัดที่วัดตรงแล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมาทางนี้มันหลงเป็นผู้หลงก็ไปทางโน้นแล้วไม่มาทางนี้แล้วไม่มีหางเสือก็หางเสือก็จับยันได ปัญญาจับอยู่แล้วหายอยู่แล้วดัดอยู่แล้วพอมีสติก็มาพ่อหมดับเครื่องมือแล้วความชั่วทำความดีแล้วนี่หลงเห็นบันหลงไม่เป็นผู้หลงนั่นเฉลยไปแล้วสอบไปซ้ำชั้นแล้ว อาจจะเป็นหลงเป็นครั้งสุดท้ายได้สักวันหนึ่งโกรธเป็นครั้งสุดท้ายทุกเป็นครั้งสุดท้ายได้สักวันหนึ่งอะไรก็ตามอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจบแล้วจบแล้วเราเรียนจบเหมือนกันแล้วจบแล้วจบชีวิตแล้ว เมือการเกิดเจ็บเจบตายแล้วเนี่ยมันจบอย่างนี้ชีวิตของเราจ เ, เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์มัตินิพพานสมบัติเราจะอยู่กันยังไงถ้าเรามาจบตรงนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลมาช่วยกันแจกของสองตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลก ช่วยกันอ่ะมันจะมีประโยชน์เราก็เป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีพันยาสามีมีมลกูกมีหลานก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เราเถื่อนอะไรที่ไหนแม่พุทธเจ้าอุบัตขึ้นในโลกเพียงชีวิตหนึ่งก็ยังมาถึงพวกเรามาขนาดไหน ถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นโลกน ะ, ะก็ลาบเก็บทันทีค <c oughs> นไทยหกสิบห้าล้านคนถ้าทุกคนมาเริ่มต้นเกิดหลงเป็น ล, ลูอ่อ่อดูซอปัญหาหมดเลยลัดเที่ยมือเดียวไม่ใช่ไปตั้งกองทัพ ถ้าหารแม่นปืนตระบวดแม่นปืนยิงกันไม่ต้องไปยิงเพียนที่ตัวเองเนี่ยนี่เรียกว่าธรรมอาวุธอาวุธ ป, าปราบพยจดในชีวิตของคนคนหนึ่งต้องมีวิธีทำอย่างนี้กรรมฐานเนี่ย เป็นวิชาเอก <ไป S 1> เอกทางนี้กันเถอะอย่าไปเอกทางอื่นเอาไว้ก่อนถ้าเอกทางนี้ก็ไปได้ทุกวิชาจบหมดทุกวิชาเหมือนฮัทสูรทนโบราณก็นะมีมานุปคือไม่บุกชายจะต้องส่งไปเรียนศาสตร์ต่างๆให้จบ มาของบ้านของเรือนมาโนบวิรามันาส่งมาโนบลูกชายไปเรียนจบกลับมาบอกว่าจบแล้วพ่อแม่เรียนจบแล้วแม่ถามว่าอาสาสมนด้จบหรื อ, อยัง อาสาต้นแล้วเรียนอย่างงานน้อลูกชายบอกยังไม่เรียนถ้ายังไม่จบศาสตร์ตัวนี้ยังไม่จบกลับไปเรียนอีกไปบอกอาจารย์ว่ายังวิชาหนึ่งคืออาสาต้นยังไม่เรียนอาจารย์ก็บอกให้อยู่ต่อไปจนในที่สุดจบศาสตร์นี้ กลับไปบ้านพ่อแม่ก็ยกสมบัติให้คลองล้านคลองเรือนคือกองชีวิตเราได้คลองทุกอย่างได้ไม่จบที่กายที่ใจเนี่ยไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีกิเลส ต, ตัณหาราคะเรียกว่าศาสาตร์มนเป็นชาตร์ที่ยอดเยีเ่ยมศาสตร์ของมนุษย์ศาสตร์ไปสู่มรรคู่ผล จนไม่เปลี่ยนอะไรไม่มีอะไรนะเรียกว่าศาสตรมนตไม่มีใครสอนเราการชนานาญในเรื่องนี้คนอื่นสอนให้ไปได้เราต้องสอนตัวเราทำให้เป็นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นสอนให้เราแต่เรียนรู้คนอื่นสอนให้ได้แต่ทั้งไม่เป็นไม่ใช่คนอื่นสอนเราต้องทำเอง อาสาตมนคือทําเองมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกเองมีใครช่วยได้หรือมันหลงใครเห็นไม่มีใครเห็นจะเห็นบ้างก็เป็นลูกหน้าปูดปวดน่าจะเรียกว่าหลงแล้วไม่ีใครจะเห็นเรานอกจากตัวเราเห็นแล้วใครจะแก้ให้อย่ากโกรธเธออย่ากโกรธเธอะไม่โกรธไปได้ไม่โกรธไปได้ ถ้าได้โกรธก็ต้องด่ามันให้ได้ไม่หยองแก่ทําไม่เป็นโกรธเป็นโกรธอยู่ทำไม่เป็นทุกเป็นทุกอยู่หลงเป็นหลงอยู่ต้องทําให้เป็นการทําให้เป็นต้องหัดเอาเวลามันหลงให้รู้อย่าให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นความรู้ทําเป็นไหมนี่กรรมฐานอะ่ย เอามาตั้งวัธถิกายกายานุปัชชนาเนี่ยเอาสติมานตั้งวัธถิกายนี้ให้มันรู้ที่นี่มันจะเห็นหลงเพราะมันมีตาในมันจะมองเห็นเออมหลงเป็นอารมณ์เป็นนามธรรมตาเนื้อเห็นแต่รูปบางทีตาเนื้อมันหลอก แต่ลูกก็พอใจยินเสียงก็พอใจไม่พอใจแต่ตาในไม่เป็นจางนั้นมันรู้อันเดียวคืออันเดียวมันสักว่าเห็นจบไปแล้วสักว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าได้รสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าคิดจบไปแล้วเพราะมันตาในตาตาเนื้อมันไม่ไม่จบ มันติดเหมือนดินเหนียวทิ้งเสฟฝาผดังตาเห็นรูปก็ยังติดในรูปพอใจไม่พอใจติดแล้วหูยิงเสียงก็ติดแล้วสมูกได้กินลล่นได้รถกายสัมผัสจิตใจคิดก็ติดแล้วติดอะไรมาเปื้อนๆอะไรมามีไหมมีรอยไหมกี่เดือนกี่ปีแล้วมันติดปะเนี่ย โกดกี่วันแล้วให้ความกดความทุกข์นอนอยู่กับลราข้ามวันข้ามคืนลิ้นเหนียวก็เห็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นก้อนกวดทิ้งใส่ฝาผนังมันก็ตกลงไปแล้วตาตาไหนไมันเป็นมันตกลงไปแล้วกายศรากายไปเสแล้วเวทนาสรัทธาเวทนาจิตก็สรัทธาจิตทำศสักทธาทำไปแล้ว ไม่มีรอยแล้วชีวิตมือสองแล้วพอเราเปรอะเพื่อนอะไรมาไม่ใหม่จึงมาซ่อมมาฟิตให้มันใหม่ขึ้นมาเป็นพรมจารย์บริสุทธิ์แล้วเปลีนหลงเป็นลู่พรมจารย์แล้วเปลี่ยนทุกเป็นลู่พรมจารย์แล้วเปือนโกรธเป็นลู่พรมอาจารย์แล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ชิ้นเชิงแล้ว ไม่ต้องโกผมผมหอมเหลืองก็เป็นพรหมจรรย์แล้วบริสุทธิ์แล้วถ้ายัางโกรธยัง โ, ยงโลภยังหลงยังพิเรทตัท้นหาอยู่เลยไม่เป็นพรมจรรย์พราะสงที่พรมจรรย์เกิดจากพระสัทธรรมในการปฏิบัติดีเป็นต้นเอา้วยสวดพระสวด สัตทมโชสุปฏิปฏิคุณาพิยุตโตอสง์เกิดจากพระสัจธรรมในการปฏิบัติดีเป็นตุ้นเราไม่ใช่พระสง์เกิดจากโกรธอุปชาบวชให้เป็นพระสงฆ์เป็นตุ้นไม่มีเลยไม่มีในพระโสดเจากพระสัจธรรมพระสัจธรรมคก็ได้ความหลงไม่ใช่สัจธรรมความไม่หลงเป็นสัจธรรมความโกรธไม่เป็นสัจธรรมความไม่โกรธเป็นสัจธรรม ความทุกข์ไม่เป็นสัจธรรมความไปทุกข์เป็นสัจธรรมทำหรือยังตัเนี้ยเกิดพัจนธรรมหรื อ, อยั ง, นออยงในชีวิตเราเนี่ยความโกรธเป็นธรรมไหมความไม่โกรธเป็นธรรมไหมความทุกข์เป็นธรรมไหมความไปทุกข์เป็นธรรมไหมมีหรื อ, อยังธรรมเป็นหรื อ, อยังปฏิบัติตงอย่างเนี้ยเอาตรงตรงเอามันทุก มันอยู่เราชอบเราบอกสมมติติเห็นชอบอย่างนี้เป็นทางไปแล้วหรว่าปฏิบัติต้องไปสถาบันไปเลยแล้วมีสถาบันชีวิตแบบนี้ให้มันจบขึ้นป้ายไปโน่นหนะมาวัด่สถาบันเลยทีเดียวหมันจบมันต้องเป็นสถาบันแบบนี้ปต้องไปเลย มันผิดไม่ผิดเห็นมันผิดขึ้นผู้ผิดตรงแล้วจำหนอนชำหนอนจนเหนื่อยก่อเกิดเจ็บตายมันตรงไปมันเลยไมนมีอะไรเลยไม่เป็นอะไรแต่มันจบอย่างนี้เหมือนพระเจ้า่ชาติชิ้นแล้วผมาฉันอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบแค่นี้แล้ว มันก็จบกันชีวิตเนี่ยมันเรียนจบได้แล้วโลกมันเรียนไม่จบมีเรื่อยไปไอ้ืค่โลกก็มีพันใหม่หวัดพันใหม่อะไรมาเกิดขึ้นมาเลยหมอก็ต้องคดนคว้า อ, อยู่เลยหาวัคซินมาแช่โรคให้ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ โรคมีเท่าไหร่ก็ต้องค้นหาเท่านั้นตามให้มันทันโลกเขามีวัดพัฒนาการกเราพวกนายแพทย์ทั้งหลายแพทย์เก่งทั้งหลายก็วิวัฒนาการ ค, ค้นคว้าอยู่เรื่อยอย่าลงเจอเป็นโลค ก, ก้อนเนื้อในตับหมอบอกว่ายังไม่มียารักษาแต่ว่าก้อนเนื้อในตับมันกราี เออนนี่มีรักษาพิยารักษาแล้วขี้ขาดมาเลยนะมันจบ อ, อันหดที่ยังไม่จบก็ยังโรคบางอย่างก็รักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้ตายเรื่องเดียวจะต้องป้องกันนะจึงจะรอดได้ใช้กายใช้ใจให้เป็นให้มันถูกต้อง ถ้าใช่เป็นก็ได้ประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็นก็เป็นทุกข์เป็นโทษไปสูบบุหรีเป็นโรคมะเร็งไปปอดกินเล้าก็เป็นมะเร็งได้ตับกินดิบๆไม่สมสุขก็เป็นมะเร็งได้หนอก็บอกอยู่กินของทอดน้ำมันอันเดียวทอดแล้วทอดอีกอันตรายเป็นโรคมะเร็งอาหารเจิ๊ยบอาหารฟาดพุด อันตลายผลีเซคเก้นฮัเโหาแจงต่งแต่เมื่อวานนี้มาดีเซเก้นใหม่มนั่งจ่ายไม่ดมหดคนทุก ว, วันนี้ทำอะไรก็ไม่เป็นเราใช่บริการกันต้มปลาก็ไม่เป็นข่าวป่า กินมาได้เลยเรอต้มปลาต้ม <c oughs> น้ำเ ด, ดเดือดก่อนล้างดีๆต้มน้าเดือดเดอดห้นําเดือดที่สุดแล้วจึงค่อยล้างป่าดีๆไปใส่น้ำร้อนมันจะไม่มีกลิ่นลวกผักสะเดาต้มน้าเดือดเดือดเช่ก่อนแล้วก็ล้างสักผักสะเดาดีๆ ชิดน้าบ อ, อกให้หมดให้มันเฉาเฉาสักหน่อยทิ้งลงทันทีเลยอย่าไปนคนมันทิ้งลงพลิกพิกอีกแล้วก็มาออกการน้ําร้อนมาลวกน้ําเย็นอีกทีหนึ่งจืดเลยพระคือเรากมกลมต้มไข่เป็นไหมพี่ีฮะต้มไข่เป็นไหเราต้มไข่ให้ลองตาฮ๋ <c oughs> <c oughs> อ เอาน้ำเดือดเอาไข่ลงเอาไข่ลงก็มันสุกมันจะลอยขึ้นมาเอาตะกอามาันลกน้ำเย็นปอกอก๊อ ก, กออกเลยต้องไข่เป็นไม่ใช่เอาน้ำใส่ง<จ>้อเราไข่ไปใส่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าต้มน้ำไม่เดือดแช่น้ำขึ้นม้ข้างเดือดร้อยกัน เ้าออกมาก็แค่น้ำร้อนไว้จนหมอ้อต้นไข่อยู่ในหมอ้อน้ารอ้อนจนน้ำร้อนมันเย็นเอามาปอกปอกกไม่ออกใช่ไหมฮะใช่ไหมอันนี้ของตานะภาษาภาษาแม่สอนตั้งแต่เป็นเด็กยังใช้ได้อยู่นะไม่ไม่เป็นสากล ความถูกความผิดอะไรใช่อะไรมันก็มีถูกมีผิดเหมือนกันนะใช้กายผิดก็ใช่ไม่ได้ใช่ใจผิดก็ใช่ไม่ได้เป็นอย่างนี้ในโลกเนี่ยมีหลักสูตรแบบนี้ไม่เฉลยอันเนี้ยเรากำลังใช่เป็นนะักถ้ามันผิดก็แช่มันลหลงเหวี่ยงหลงเป็นลูกเจ็ทุกข์ขัง ลอยข้างบป็นโหนมันหลงลอยข้างเจ้มันลอยข้างมันจะยากอะไรไม่ได้แต่งจอบหาเสียมที่ไหนมันหลงที่ใจเจ้ที่ใจนั่นหระนอนอยู่เจ้ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เจ้ได้ไม่ใช่ไปนั่งหลังโคตรหลังงอนะกา ร, รู้ทำไม่ใช่ไปทมจนไม่หลับนอนนะไม่ชช่แบบนั้นมันจะเข็ดหลามนะยิ้มยิ้มไม ว่าแต่เปลี่ยนล่ะเปลี่ยนไม่เ ป, เปลี่ยนทางใจเปลี่ยนทางความคิดไม่ใช่เปลี่ยนทางกายจะไม่หลับไปดนอนหัวเจ้าทำมาแล้วอัฐิเฉิมถายโยกตึงขึ้นไปไม่ใช่ต้องพอดีพอดีการบรรลุธรรมต้องพอดีพอดีมันหลงไม่ใช่เดินอยู่มันหลงนอนอยู่มันก็หลง ก็หลงที่มันนอนอยู่ก็ไม่ใช่เดินให้มันรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนอนอยู่มันหลงก็นอนอยู่นั่นแหละรู้นั่งอยู่มันหลงนั่งอยู่นั่นแหละรู้อยู่อยู่อะไรอยู่ก็ตามมันเกิดหลงก็นั้นแล้วเอาล่ะนั่นหลงมันมาเพิอมกันผมหลงมันเกิดไม่ใช่อริบุตรอยู่กับชีวิตเนี่ยมันชีวิตก็มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนใช่ไหย มันไม่ยากปรรูุธรรมนะจะไปลิดนั่งยากทำามง่ายง่ายปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่เนี่ยเจ้าประกาศจะเนี้ยปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการอย่างเนี้ยเย็นมองอ๋อจบแล้ววันนี้กราบพระพร้อมกัน